อีกสักเรื่องสองทรงเป็นที่กระยิมของเทวาและมนุษย์พระพุทธภาษิตเยชาณปสุตาทีราเนคขัมมูปสเมราตาเทวาปิเตสังปิหยันติสัมพุทธานังสติมตังคำแปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดทรงเป็นปราด ขวนขวายในฌานทรงเย็นดีในธรรมอันเข้าไปสงบกิเลสคือนิพพานเทวาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระยิมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีสติอธิบายคำว่าทรงขวนขวายในฌานนั้นพระอัจกราจารา์อธิบายฌานสองอย่างคือลักคนูปนิสชาหนึ่งอารัมณูปนิสชาหนึ่งลัคนูปนิสชาานั้น มาทางสายวิปัสนาโดยการพิจารณาไตรลักษณ์เป็นอารมณ์แล้วเกิดความสงบขึ้นส่วนอารัมมณูปนิชฌานนั้นมาทางสายสมถะโดยการพิจารณาอารมณ์แห่งสมถะเป็นสำคัญจน จ, นจิตสงบทั้งสองลักษณะนี้ย่อมมีวสีภาพเนวงเล็บคือความชำนาญ5อย่างคืออาวชชะวะสีชำนาญในการนึก สมาปชนะวะสีชำนาในการเข้าอธิษฐานวสีชำนาในการยับยั้งหรือในความตั้งมั่นกุษฐานวสีชำนาในการออกและปัจเวคณะวะสีชำนาในการพิจารณารวมเป็นวสีหทวนอีกครั้งหนึ่งคืออาวชนะเท่ากับนึกสมาปชนะเท่ากับเข้าอธิฐานะเท่ากับตั้งมั่นยับ ย, ยั้งไว วุฒิฐานะเท่ากับการออกปัจเจวคณะเท่ากับพิจารณาผู้ชำนาญในฌานต้องชำนาญในฐานะทั้งห้านี้คือชำนาญในการนึกเป็นต้นการเข้าฌานเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งของพระอริยเจ้าส่วนนิโรธสมาบัติเข้าได้เฉพาะพระอริยบุคคลตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปเท่านั้นผลสมาบัติเข้าได้ทุกจาพวกเพราะเป็นการเข้าไปเสวยอริยผลของตน พระพุทธเจ้านั้นทรงเข้าฌานได้ทุกชนิดทรงสำนาญอย่างยิ่งในฌานสมาบัติและอภิญญาต่างๆสำหรับพระโยคาววจรทั่วไปท่านกล่าวว่าผู้ฉลาดในการบำเพ็ญฌานสมาบัติทำให้ฌานเกิดขึ้นได้บ่อยๆโดยวิธีคอยจับอาการแห่งฌานว่าเมื่อบริโภคอาหารอย่างไรครบกับบุคคลเช่นใดอยู่ในอริยาบทใดเช่นไรฌานจึงเกิดขึ้น แล้วกำหนดจดจำอาการอย่างนั้นไว้เหมือนพ่อครัวที่ฉลาดคอยกำหนดจดจำว่านายของตนชอบอาหารประเภทใดแล้วปรุงอาหารให้ถูกต้องตามความต้องการของนายก่อนเข้าฌานผู้บาเพ็ญเพียรคือพระโยคาวจรควรจะสางรม ท, ท, ที่เป็นค่าศึกของฌานให้ดีคือพึงพิจารณาโทษของกามข่มกามมชันทะบรรเทาความกระวนกระวายทางกาม ละถินนมิทะด้วยอารัมพธาตุถอนอุทะจักกุกุ จ, จักแล้วจึงเข้าฌานมิฉะนั้นฌานจะอยู่ไม่ได้นานปานประหนึ่งมแมลงผู้บินเข้าไปในที่รกรุงรังหรือเหมือนพระราชาเสดเข้าไปในพระราชอุทยานที่ไม่สะอาดย่อมจะต้องรีบเสด็จออกฉะนั้นเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญเพียรประสงค์อยู่ในฌานนา น, า น, น, านพึงชำระสัสงธรรมอันเป็นฆาสึกแก่ฌานเสียก่อน ผู้บรรลุฌานใหม่ๆหรือเป็นครั้งแรกพึงหมันเข้าฌานบ่อยๆอย่าพิจารณาให้มากเกินไปทางนี้เพราะการพิจารณามากองค์ฌานจะปรากฏหยาบเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยากที่จะให้ได้บรรลุฌานสูงๆขึ้นไปและถ้าไปขวนขวายในทุติยฌานซึ่งตนยังไม่คล่องปฐมฌานก็จะพลอยเสื่อมไปด้วย ท่านสาธกพระพุทธภาสิทธอ้างอิงเรื่องนี้ว่าเหมือนแม่โคที่ไม่ฉลาดเที่ยวไปตามภูเขาซึ่งกรุระด้วยคิดว่าจะไปเที่ยวกินในที่ที่โคทั้งหลายไม่เคยหากินไม่ระวังเท้าให้ดีอาจพลาดตกภูเขาลงถึงตายทำนองเดียวกันผู้บาเพ็ญเพียร เ, เมื่อปฐมฌานยังไม่คล่องก็ปรารถนาจะเข้าสู่ทุติยฌานในที่สุดทุติยฌานก็จะไม่ได้ปฐมฌานก็จะเสื่อมไป เพราะฉะนั้นต้องหาความชำนาญในฌานแต่และอย่างเสียก่อนเริ่มตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปเมื่อชำนาญในวิธีทั้งห้ามีอาวัชนะเป็นต้นแล้วเพึงพิจารณาถึงโทษของปิติและสุขว่ายังเป็นของหยาบแล้วคลายปิติและสุขนั้นเสียเข้าสู่ทุติยฌานคือฌานที่สองในฌานอื่นๆก็ทานองเดียวกันเมื่อเข้าถึงตติยฌานท่านเรียกว่าอุเปกขโก หมายความว่าเพ่งเฉยอยู่เพราะประกอบด้วยอุเบกขาอันหมดจดขอกล่าวต่อไปถึงอุเบกขาสิบอย่างคือ 1. ชฉลังคุเปกขาการวางเฉยในอารมณ์ทั้ง6ไม่ยินดียินร้ายเมื่อตาเห็นรูปเป็นต้น 2. พรหมวิหารุปเปขาอุเบกขาที่กล่าวถึงในพรหมวิหารคือการวางใจเป็นกลางเว้นนักติ4และวางเฉยในเหตุสุดวิสัยแก้ 3. โพชังคุเปกขาโอเบขาในโพชงคือโอเบขาซึ่งอิงวิเวกและวิราคะ 4. วิริยุเปกขาคือการถือสายกลางในการทำความเพียรไม่หย่อนเกินและไม่ตึงเกิน 5. สังขารุเปกขาหมายถึงการวางเฉยในสังขารไม่ยึดมั่นถือมั่นในขัน5 6. เวทนูเปกขา อุเบกขาในเวทนาคืออุทุกขมสุ ข, ขเวทนาท่ามกลางระหว่างสุขและทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข 7. วิปัสณูเปขาอุเบกขาเกี่ยวกับวิปัสนาปัญญายิงอาศัยการพิจรารณาไตรลักษณ์คืออนิจจังทุก ข, ขังอนาตาตัตตา 8. ตตละมัชตุเปขาการวางเฉยในอารมณ์นั้นๆทุกอย่าง 9. ชานุเปขาอุเบกขาในชาณ10บ บริสุทธุปเปขาอุเบขาอันบริสุทธิ์ที่เกี่ยวเนื่องในฌานที่4ความสามารถของผู้ได้ฌานซึ่งสําเร็จมาจากกสินนั้นมีมากยกตัวอย่างเพียงบางประการเช่น 1. ผู้ได้ฌานซึ่งสําเร็จมาจากปฐวีกสินสามารถเดิมิดแผ่นดินในอากาศหรือในน้ําแล้วเดินได้ 2. ผู้ได้ฌานซึ่งสําเร็จมาจากอาโปกสินสามารถดำผุดในแผ่นดินได้ บันดาลให้ฝนตกได้ 3. ผู้ได้ฌานซึ่งสําเร็จมาจากเตโชกสินสามารถบันดาลขวัญบันดาลให้ตัวโพรงขึ้นมีไฟห้อมล้อมสามารถบันดาลให้เตโชาธาตุเกิดขึ้นเผาศรีระตนเองได้ในสมัยนิพพานเนี่ผู้ได้ฌานซึ่งสําเร็จมาจากวายโยกสินสามารถเนรมิตรูปให้เขียวได้บันดาลให้มืดมนได้ นอกจากนี้ผู้ได้ฌานซึ่งสำเร็จมาจากสมถภาวนาอื่นๆก็มีความสามารถต่างออกไปอันเป็นเรื่องเหลือวิสัยของคนธรรมดาสามัญเพราะฉะนั้นฌานนวิสัยท่านจึงถือเป็นอจินไตยอย่างหนึ่งคือเอาสามัญสำนึกมาพิจารณาตัดสินไม่ได้เป็นเรื่องของท่านผู้ได้ฌานโดยเฉพาะผู้ต้องการทำอย่างนั้นได้บ้างก็ต้องดาเนินตามทางที่ท่านว่าไวจนได้ฌานด้วยตนเองก็ย่อมจะ ทำอะไรแปลกๆได้ด้วยตนเองเช่นกันข้อว่าเนคขมูปะเมระตาในพระคาถานี้แปลว่ายินดีในธรรมเครื่องเข้าไปสงบคือเนคขมะคำว่าเนคขมะในความหมายเบื้องต่ำท่านหมายเอาการออกบวชการปลีกตนออกไปจากการมไม่เกี่ยวข้องด้วยกามแต่ในพระคาถานี้ทรงหมายเอาพระนิพพานคุณเครื่องดับกิเลสและความทุกข์ทั้งมวล เทวาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระยิมคือไข่ได้ไข่เป็นเช่นพระพุทธเจ้าบ้างเพราะพระองค์ทรงมีพระบารมีอันเพียบพร้อมเปี่ยมล้นทรงมีฌานอภิญญาและถึงแล้วซึ่งความเป็นบุรุษผู้สูงสุดเพราะได้บรรลุธรรมอันสูงสุดคือพระนิพพานพระาศาสดาทรงแสดงธรรมมาบทเรื่องนี้เพราะทรงปราบรบการแสดงยมกปาฏิหารของพระองค์และเทวดามนุษย์เป็นอันมากที่มาประชุมกันที่ประตูเมืองสังกัตสะ มีเรื่องย่อดังนี้ยมกปาทิ่หานคือปาฏิหาริ์ที่ทรงแสดงเป็นคู่คู่เศรษฐีกรุงราชสครูคนหนึ่งได้ไม้จันแดงมาท่อนหนึ่งซึ่งรอยน้ํามาขณะที่เขากําลังอาบน้ําอยู่ในแม่น้ําคงคาตามเรื่องว่าต้นจันแดงต้นนั้นขึ้นที่ริมฝั่งตอนเหนือของแม่น้ําคงคาถูกกระแสน้ำํำซ้อจน ล้มลงหักกระจัดกระจายอยู่บนแผ่นหินมีปุ่มๆหรือมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งประมาณเท่าหม้อถูกหินครูดสีถูกคลื่นซัดจนเกลี้ยงเก่าลอยน้ำไปถูกสารายรวบรัดมาติดที่ขายขายที่ฉันให้ความหมายว่าเพื่อความปลอดภัยจากสัตว์ ร, ร้ายและเพื่อรักษาอาภรเมื่อลงอาบน้ำเศษฐีให้ถึงตะข่ายไว้โดยรอบ ท่านว่าตะขายนั้นมีสันฐานคล้ายขวดคงเป็นรูปตัวยูเศรษฐีถามบริวารว่าอะไรลอยมาติดตะขายเมื่อคนจับขึ้นดูแก้เอาสาหลายออกจึงรู้ว่าเป็นท่อนไม้จันแดงมีสีเหมือนครั่งสด เ, เคยเห็นครั่งสดมสีครั่งสดมันจะมันแบบสวยโดยธรรมชาติของมั น, เ, มนเหมือน อ, อะไรเลยถ้าจะเปรียบ ก็มันกัใคล้ายคริสตันนะ เ, เวลาหักออกสีครั่งถ้ามันสดสดจากต้นมันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เวลานั้นเศรษฐียังไม่ได้นับถือศาสนาอะไรยังคงเป็นกลางอยู่เขาคิดว่าจันแดงในบ้านของเขาก็มีมากอยู่แล้วจะเอาจันแดงนี้ไปทำอะไรดีจึงฉุกคิดขึ้นว่าในโลกนี้มีผู้ที่อ้างตนว่าเป็นพระอรหันต์มากอยู่เราไม่รู้แน่ว่าใครเป็นพระอรหันต์จริงหรือไม่ได้เป็น เศรษฐีให้กลึงท่อนจันแดงนั้นทำบาทแล้วให้แขนวนไว้ในที่สูงหกสศอกประกาศว่าถ้าพระอาหารหันต์มีอยู่จริงขอจงเหาะมาทางอากาศแล้วรับเอาบาตไม้จันทนี้ไปผู้ใดเหาะมาเอาบาทนี้ไปได้เราและบุตรภรรยาจักถือผู้นั้นว่าเป็นสารณะคือจักรับนับถือาศาสนาของท่านผู้นั้นทีนั้นพวกครูทั้งหมี ปุรณะกัสสะเป็นต้นมาทาบถามเศรษฐีว่าบาทนี้สมควรแก่เราขอท่านจงให้บาทนี้แก่เราเถิดเศรษฐีบอกว่าจงมาทางอากาศแล้วถือเอาบาทนี้ไปเถิดในวันที่6นิครนนาตบุตรวงเล็บหนึ่งในบรรดาครูทั้ง6ทรงสิทธิ์ให้ไปหาเศรษฐีว่าพวกเจ้าจงไปหาเศรษฐีแล้วบอกว่าบาทนั้นสมควรแก่ครูของเรา ขอท่านจงให้บาทนี้แก่ครูของเราเถิดเมื่อสิทธิของนาตบุตรไปกล่าวเช่นนั้นแก่เศรษฐีเศรษฐีบอกว่าบาทนี้จะเป็นสิทธิของท่านผู้มารับเอาทางอากาศเท่านั้นนาตบุตรต้องการไปเองได้ให้สัญญากับสิทธิว่าเมื่อตนทำท่าจะเหาะให้ช่วยกันดึงแขนขาเอาไว้เมื่อเข้าไปถึงบ้านท่านเศรษฐีจึงพูดก่อนว่าท่านเศรษฐีบาทนี้สมควรแก่ข้าพเจ้าขอท่านจงให้แก่ข้าพเจ้าเสียเถิด เศรษฐีบอกว่าข้าพระเจ้าจะให้แก่ผู้ที่เหาะมาทางอากาศเท่านั้นทีนั้นนาฏตบุตรจึงบอกให้สิทธิหลีกไปตนเองทำท่าจะเหาะโดยยกมือข้างหนึ่งและเท้าข้างหนึ่งขึ้นตอนนี้พวกสิทธิก็รีบทำตามแผนที่วางไว้คือช่วยกันมาดึงมือดึงเท้าของนาฏบุตรแล้วพูดว่าท่านอาจารย์ท่านทาอะไรนั่นท่านอาจารย์ไม่ควรแสดงคุณที่พยายามปกปิดไว้นานแกมหาชน พราะต้องการของเล็กน้อยคือบาทไม้จันเขาช่วยกันจับนาตบุตรไว้ไม่ให้เหาะหนาตบุตรได้ทีฉะนั้นจึงกล่าวกับเศรษฐีว่าดูซิท่านเศรษฐีสิทธิ์พวกนี้ไม่ยอมให้ข้าพเจ้าเหาะความจริงข้าพเจ้าเหาะได้ท่านจงให้บาทนี้แก่ข้าพเจ้าเถิดท่านจงเหาะไปเอาเองเถิดเศรษฐียืนกรานพวกเดรธีนิครนพยายามอยู่อย่างนี้เป็นเวลาหวันล่วงไปแล้วก็ไม่มีใครได้บาท ตอนเช้าวันที่เจ็ดพระมหาโมคลานะและพระปินโทนละภาละทวาชะกำลังยืนห่มจีวร อ, อยู่บนแผ่นหินแห่งหนึ่งตั้งใจจะเข้าไปบินธบาตในกรุงราชคฤห์ได้ยินเสียงพวกนักเลงพวกพูดกันว่าวันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วยังไม่มีสมณะผู้ใดเหาะไปเอาบาทไม้จันของท่านเศรษฐีเลยสแสดงว่าพระอรหันต์ไม่มีอยู่ในโลกแม้แต่องค์เดียว พระมหาโมคคลานะได้ยินดังนั้นจึงกล่าวกับพระปินโทละว่าอาวุโสภารทวาชะท่านได้ยินนักเลงพวกนี้พูดไหมเขาพูดเป็นทานองย่ำยีพระพุทธศาสนาด้วยท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจงเหาะไปเอาบาดของเศรษฐีเพื่อเป็นพยานให้มหาชนเห็นว่าพระอรหันต์ยังมีอยู่ในโลกสมณะในพุทธศาสนามิได้ว่างจากคุณธรรม พระพารัตวาชะพูดกับพระมหาโมคลานะว่าท่านมหาโมคลานะเป็นสาวกผู้เลิศทางมีฤทธ์กว่าสาวกใดๆขอท่านจงแสดงฤทธ์เหอะไปเอาบาตรเถิดเมื่อพระมหาโมคลานะยืนยันว่าขอให้พระพาระทวาชะเป็นผู้เหาะไปเอาบาตรท่านพาระตาวาชะก็ทำตามด้วยความเย็นดีพระพาระตวาชะเข้าจตุตฌานซึ่งเป็นบาตรของอภิญญา ออกจากฌานแล้วเหาะไปปรากฏตัวอยู่ที่ยอดเรือนของท่านเศรษฐีเศรษฐีเห็นแล้วอบอกทำความเคารพและกล่าวว่าลงมาเถิดพระคุณเจ้าบาตรควรเป็นของท่านแล้วเมื่อพระเถระลงจากอาการแล้วเศรษฐีให้คนเอาบาตรลงมาจากที่แขวนที่สูงหกสิบสอกบรรจุบาตรให้เต็มด้วยอาหารอันประณีตแล้วถวายพระเถระรับบาตรแล้วเดินไปสู่วิหาร เกียกิคุณของพระเถระเล่าลือไปอย่างรวดเร็วคนทั้งหลายที่ยังไม่ได้เห็นก็พากันมาขอให้ท่านแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูอีกและติดตามท่านไปอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าพระเถระแสดงปาฏิหาริย์ให้คนเหล่านั้นชมไปพรางเดินทางไปสู่วิหารพระศาสดา ท, ทรงสดับเสียงมหาสนที่ติดตามพระเถระนั้นอื้ออึงจึงตัดถามพระอาหนนว่าเป็นเสียงอะไร เมื่อได้ทรงทราบแล้วรับสั่งให้พระปินโทนพระธวัชะเข้าเฝ้าตัดถามว่าทำอย่างนั้นจริงหรือเมื่อพระเถระรับว่าจริงแล้วทรงติเตียนา น, านานาประการรับสั่งให้ทาลายบาทนั้นเสียแล้วแจกจ่ายแก่ภิกษุทั้งหลายไปเพื่อบดผสมทำยาหยอดตาแล้วทรงบัญญัติสิขาบทห้ามพระสาวกทำปาฏิหารฝ่ายพวกเรลธีได้ทราบว่าพระพุทธเจ้า ให้ทำลายบาดแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระสาวกทำปาฏิหาริย์จึงเที่ยวบอกกันในถนนในนครว่าธรรมดาสาวกของพระสมนะโคดมย่อมไม่ล่วงสิกขาบทที่าศาสดาทรงบัญญัติไว้แม้แต่จะต้องเสียชีวิตก็ตามถึงพระสมนะโคดมเองก็ต้องทรงรักษาสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้บัดนี้พวกเราได้โอกาสแล้วพวกเขาเที่ยวปล่าร้องต่อไปว่า พวกเราต้องการรักษาคุณของตนจึงไม่แสดงคุณของตนแก่มหาชนเพราะเหตุสักว่าบาดไม้จันอันเป็นของเล็กน้อยบัดนี้พวกเราจะทำปาฏิหาริย์แข่งกับพระสมณะโคดมแน่นอนพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคตผู้ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบดังนั้นจึงเสด็จไปเฝ้าพระาศาสดาทูลถามว่า ได้ทราบว่าพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระสาวกมิให้แสดงปาฏิหาริแล้วหรือขอถวายพระพรข้อนั้นเป็นจริงพระาศาสดาตรัสตอบบัดนี้พวกเดลถีเที่ยวป่าประกาศว่าจะทําปาฏิหาริแข่งกับพระองค์พระองค์จะทําอย่างไรเมื่อพวกเดลถีต้องการทําอย่างนั้นอัตมภาพก็ทําได้เหมือนกันมหาบ่อพิษพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามแสดงปาฏิหาริไว้แล้วไม่ใช่หรือ ถูกแล้วมหาบ่อพิษแต่อาตมาภาพไม่ได้บัญญัติเพื่อตนเองอาตมาภาพบัญญัติสิกขาบทนั้นสําหรับพระสาวกทั้งปวงสิกขาบทนั้นไม่ได้ครอบคลุมถึงพระองค์ด้วยหรือพระเจ้าค่ามหาบ่อพิษผลลมาในพระราชอุทยานหลวงหากใครบริโภคโดยไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตเป็นความผิดใช่หรือไม่ผิดพระเจ้าข้าหากพระองค์มีพระประสงค์จะสวยเองจะมีความผิด ถูกลงพระอาญาด้วยหรือไม่ไม่เลยพระเจ้าค่าหม่อมชั้นเป็นเจ้าของผลไม้ในอุทยานทั้งหมดย่อมไม่ถูกลงอาญาฉันเดียวกันนั่นแหละมหาบอพิษอัตมภาพก็ไม่มีความผิดหากจะแสดงปาฏิหาริย์อันหนึ่งเล่าอาญาของอัตมภาพแผ่ไปในแสนโกดจักรวาลเหมือนอาญาของพระองค์แผ่ไปทั่วแว่นแคว้นด้วยเหตุนี้หากพวกเรลถีจะทาปฏิหาริย์แข่งกับอัตมภาพ อัตมภาพก็จะทำเหมือนกันพวกเดลถีทราบเรื่องที่พระเจ้าจะทรงทำปาฏิหาริแล้วก็พากันตกใจปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีเนอะเพราะปาฏิหาริต่างๆของพวกนั้นไม่มีเลยพระราชาทูลถามพระศ า, าสดาว่าจะทรงทาปาฏิหาริเมื่อใดในวันเพ็ญเดือน8ต่อจากนี้ไปอีกสี่เดือนมหาบอพิษจะทรงทำที่ใด จะทำที่เมืองสาบถีถามว่าเพราะเหตุไรพระาศาสดาถึงทรงอ้างที่ไกลถึงป่านนั้นแก่ว่าเพราะเหตุที่ทําปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อีกอย่างหนึ่งทรงทอดเวลาให้ยาวออกไปเพื่อมหาชนจกได้มาชุมนุมกันพวกเดล ถ, ถีตกลงกันว่าจะเที่ยวติดตามพระาศาสดาไปทุกขนทุกแห่งเมื่อเที่ยวติดตามอยู่ถ้าคนทั้งหลายถามว่าทําไมจึงทําอย่างนั้นก็จะตอบว่า ตกลงจะทำปฏิหารแข่งกับพระสมณะโคดมและพระสมณะโคดมกำลังจะหนีไปด้วยอาการอย่างนี้มหาชนได้ติดตามกันไปเป็นอันมากเพื่อดูการทำปฏิหารพระาศาสดาสเสด็จถึงเมืองสาวัตถีโดยลำดับพวกเดลธีเรื่อยลายทรัพจากผู้นับถือได้แสนหนึ่งแล้วให้สร้างบนดบทำด้วยไม้ตะเคียนบางแห่งไปว่าไม้สแก มงด้วยดอกอุบลเขียวแล้วเที่ยประกาศว่าพวกเราจะทําปาฏิหาริ์ที่นี้พระเจ้าพระเสศนทิโกโศน ร, ราชาแห่งแคว้นมคธเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลว่าพวกเดรัจฉีทําบนดกกันแล้วหม่อมชั้นจะให้สร้างบนดกเพื่อพระองค์แต่พระาศาสดาทรงปฏิเสธพระองค์จะทําปาฏิหาริ์ที่ไหนพระเจ้าข้าที่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่พอข่าวนี้แพร่ อ, ออกไปพวกเดรัจฉีก็ให้คนเที่ยวถอนต้นมะม่วงเล็กๆเสียจนหมดสิ้น แม้ต้นมะม่วงที่ขึ้นในวันนั้นก็มิให้เหลือในวันเพ็ญเดือน8พระศาสดาเสด็จเข้าไปในพระนครผู้รักษาสวนของพระราชาคนหนึ่งชื่อคันทะเห็นมะม่วงสุกผลใหญ่ผลหนึ่งในระหว่างกลุ่มใบที่มดดำมดแดงทำรังไว้ไล่กาที่มาชุมนุมด้วยความต้องการกลิ่นรสของมะม่วงนั้นให้หนีไปแล้วเก็บมะม่วงนั้นเพื่อไปถวายพระราชา เขาเห็นพระาศาสดาในระหว่างทางคิดว่าพระราชาเสวยผลมะม่วงนี้แล้วพึงพระราชาทานกหาปณะแก่เรา8หรือสิบกหาปณะกรหาปณะนั้นไม่พอในการเลี้ยงชีพในชาติหนึ่งถ้าเราถวายผลมะม่วงนี้แด่พระาศาสดานั่นจะเป็นคุณประโยชน์แก่เราตลอดการไม่มีที่สิ้นสุดเขาคิดดังนั้นแล้วน้อมผลมะม่วงเข้าไปถวายพระาศาสดาพระพุทธองค์ทรงทอดพระเนตรดูพระอานนท์ พระอาหนนจึงน้อมบาตรเข้าไปถวายพระศาสดาทรงรับมะม่วงจากนายคันทะแล้วทรงแสดงพระอาการว่าจะประทับนั่งตรงนั้นพระเทระจิงปูจีวรถวายเมื่อพระพุทธองค์ประทับนั่งแล้วพระเถระได้กรองน้ําแล้วขยําผลมะม่วงสุกทําเป็นน้ําปานะถวายพระศาสดาสเสวยแล้วรับสั่งให้ในายคันทะคุ้ยดินขึ้นปลูกมะม่วงตรงนั้นทรงร้างพระหัตบนหลุมมะม่วงต้นมะม่วงเจริญเติบโต ขึ้นทันทีสูงประมาณ52มีกิ่งใหญ่5กิ่งคือกิ่งที่แผ่ไปในทิศ ท, ทั้ง4ทิศละกิ่งและสูงขึ้นเบื้องบนกิ่งหนึ่งกิ่งละประมาณ52ต้นมะม่วงนั้นสมบูรณ์ด้วยช่อและผลสุกเป็นพวงย้อยระยาพวกภิกษุที่มาภายหลังมาฉันมะม่วงนั้นเหมือนกันพระราชาทรงสดับว่าต้นมะม่วง เห็นป่านั้นเกิดขึ้นแล้วเป็นที่ทําปาฏิหาริย์ของพระศาสดาจึงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ของพระองค์อารักขาต้นมะม่วงนั้นไว้อย่างแข็งแรงไม่ให้ใครตัดได้ต้นมะม่วงนั้นชื่อว่าคันธามพฤกเพราะนายคันธะปลูกไว้พวกนักเลงกินผลมะม่วงนั้นแล้วพูดกันว่าไอ้พวกเดือดถีโวยพวกเจ้ารู้ว่าพระสมณโคดมจะทรงทําปาฏิหาริย์ที่โคนต้นมะม่วงจึงสั่งให้ถอนต้นมะม่วงเล็กๆเสียสิ้น บัดนี้มีต้นมะม่วงชื่อคันตามะพรึกเกิดขึ้นแล้วดังนี้แล้วเอาเมล็ดมะม่วงคว้างป่าพวกเดรธีทั้งหลายตำนานเล่าว่าด้วยอนุภาพแห่งเทวดามีเท้าสกะจอมเทพเป็นประธานบรรดาลให้เกิดลมพายุอย่างหนักหอบเอามนดบของพวกเดรธีไปทิ้งกระจัดกระจายแล้วแดดก็แผดจ้าร้อนแรงเหลือทนเหงื่อไหลโทมกายของเดรธีต่อแต่นั้นลมหัวด้วน ก็เกิดขึ้นด้วยอนุภาพของวาตะวลาหกเทพบุตรโปรยธุลีลงบนสรีระของพวกเดลถีต่อจากนั้นฝนเม็ดใหญ่ตกลงกายของพวกเดลถีจึงเป็นเหมือนแม่โคด่างเขาแตกพวกแตกหมูวิ่งหนีกันกระเจิงชาวนาคนหนึ่งเห็นอุปถากของปุรนักสปะเดินทางมาชมการแสดงของปุรนักสปะผู้เป็นอาจารย์ ปล่อยโคอถือหม้อข้าวต้มและเชือกมาสวนทางกับปุโรณะกัสสะซึ่งกําลังหนีปุโรณะกัสสะขอเชือกและหม้อน้ําจากมือชาวนาคนนั้นไปยังฝั่งแม่น้ําเอาเชือกผูกหม้อน้ําและผูกคอของตนและกระโดดลงไปในห่วงน้ําฆ่าตัวตายนัย่นมีความหมายในคําว่าความร้อนกลางแจ้งในอินเดียเมื่อถึงหน้าร้อนนั้น เหลือทนจริงๆลมที่พัดมาก็เป็นลมร้อนทั้งนั้นเหมือนอยู่ใกล้กองไฟใหญ่แล้วลมพัดเอาเปลวไฟนั้นมาถูกตัวในพระวินัยจึงบอกว่าหน้าร้อนกลางวันให้ปิดหน้าต่างกลางคืนเปิดหน้าต่างหน้าหนาวให้เปิดกลางวันปิดกลางคืนหน้าร้อนบางวันมีพายุฝุน่นทั่วเมืองมองไม่เห็นอะไรเป็นพายุฝุ่นจริงๆร้อนจริงๆเปิดหน้าต่างไม่ได้กลางวันต้องปิดเนี่ยแต่อย่างนั้นมันจะอยู่ไม่ได้ พระศาสดาทรงในละมิจจงกลมแก้วในอากาศเมื่อบริษัทประชุมกันในบริเวณกว้างประมาณ35โสิบหยอดในตอนบ่ายเสด็จออกจากพระคันธกุฎีทรงดำริว่าบัดนี้ถึงเวลาทำปฏิหาริแล้วประทับยืนที่หน้า ม, มุกพุทธบริษัททั้ง4ี่ต่างแสดงความประสงค์จะแสดงปาฏิหารแทนพระพุทธองค์ด้วยปาฏิหารแปลกๆเช่นทำพื้นดินให้เป็นทะเลแล้วดำน้ำลงไปช่ำแลกภูเขาให้คนดูเคี้ยวกินภูเขา มวนแผ่นดินเป็นต้นเพื่อประกาศพระเกียรติคุณของพระาศาสดาว่าขนาดสาวกยังทำได้ถึงเพียงนี้พระาศาสดาจะทําได้สักเพียงใดแต่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธข้อเสนอทั้งปวงทรงขอบใจภาษาวกและตัดว่าพวงมาลัยนี้เขาแขนวนไว้เพื่อเราหาเพื่อพวกเธอทั้งหลายไม่เราเป็นผู้มีธุระอันหาใครเสมอเหมือนไม่ได้ผู้อื่นชื่อว่าสามารถนาธุระของเราไปได้ไม่มี ข้อนั้นไม่อัศจรรย์ในการรบัดนี้แต่อัศจรรย์ในการที่เราถือกำเนิดเป็นเดรัจฉานเมื่อพระมหาโมคคลานะทูลถามจึงทรงนำกันหะอุสสะชาดกมาแสดงแต่ใจความว่าในการใดที่ธุระหนักมีภาระหนักในการใดต้องเดินทางในที่ลุ่มลึกในการนั้นเจ้าของย่อมเทียมโคชื่อกันหะวงเล็บคือโคดำ โคชื่อกันหานั่นแหละสามารถนำภาระธุระไปได้ตัดย้ำเรื่องนี้ให้หนักแน่นด้วยนันทวิสารชาดกความว่าผู้ฉลาดพึงกล่าวคำอันน่าพอใจเมื่อกล่าวคำอันน่าพอใจอยู่โคชื่อนันทวิสารได้ลากภาระอันหนักไปแล้วทำพรามเจ้าของให้ได้ซับพรามก็มีใจเบิกบานเพราะได้ซั์นั้น เมื่อตัดดังนี้แล้วพระาศาสดาได้เสด็จขึ้นสู่รัตนจงกลมในอากาศถ้ำกลางบริษัทอันแผ่เป็นบริเวณกว้างทั้งสีด้านทรงแสดงพระยะมกปาฏิหารดังนี้ยมกปาฏิหารนั้นแปลว่าปาฏิหารที่พระาศาสดาทรงกระทำเป็นคู่คู่ภาษาวกอื่นๆไม่สามารถทําได้มีโดยย่อดังนี้คู่ที่หนึ่งท่อไฟไหลออกจากพระกายเบื้องบนท่อน้ําไหลออกจากพระกายเบื้องล่าง คู่ท <altro> ี <virt uel o> ่สองท่อไฟไหลออกจากพระกายเบื้องล่างท่อน้าไหลออกจากพระกายเบื้องบนคู่ที่สามท่อไฟไหลออกจากพระกายเบื้องหน้าท่อน้าไหลออกจากพระกายเบื้องหลังคู่ที่สี่ท่อไฟไหลออกจากพระกายเบื้องหลังท่อน้าไหลออกจากพระกายเบื้องหน้าเป็นต้นในทานองเดียวกันนี้ท่อไฟและท่อน้าไหลออกจากพระกายเบื้องซ้ายเบื้องขวาจากพระโสด พระนาสิกพระอังสะพระหัตพระองค์คุลีขุมพระโลมาแต่ละขุมทรงเปล่งพระศัพท์พันนรังสีคือสีเขียวเหลืองแดงขาวหงสบาทและประพัดสอท่อไฟที่ไหลออกนั้นเพราะทรงเข้าเตโชกสินสมาบัติท่อน้ําที่ไหลออกเพราะทรงเข้าอาโปะกะสินสมาบัติทรงแสดงปาฏิหารไปบ้าง ทรงแสดงธรรมแก่มหาชนผู้มาประชุมกันบ้างเสียงสาทุกการด้วยความนิยมยินดีกึ้อ ก, ก้องไปทั่วพระนครทรมาพิสมัยคือการตรัสรูธ้ธรรมได้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัทเป็นอนเนก อ, อนันต์ในขณะที่ทรงแสดงปาฏิหาริย์และแสดงธรรมอยู่นั้นพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าไม่มีใครสามารถถามปัญหาพระองค์ได้ จึงทรงเนรมิตพระพุทธนิมิตขึ้นองค์หนึ่งสําหรับถามและตอบปัญหาทรงผัดเปลี่ยนการแสดงธรรมกับพระพุทธนิมิตตลอดเวลาขณะที่พระศาสด า, สดาสทรงแสดงปาฏิหาริย์อยู่นั่นเองทรงดําริว่าพระพุทธเจ้าในอดีตเมื่อแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้วเสด็จจพาพรรษาณที่ใดทรงทราบว่าเสด็จจพาพรรษาณพบดาวดึงเมื่อทรงทําปาฏิหาริย์เสร็จแล้วจึงเสด็จสู่ดาวดึงด้วยอนุภาพของพระองค์ ประชาชนไม่ได้เห็นภาษาสดาจึงพากันไปถามพระมหาโมคลานะพระมหาโมคลานะประสงค์จะประกาศคุณของพระอนุรุตพเถระผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นยอดแห่งพระสาวกผู้เลิศทางทิพยะจักษุจึงแนะนํามหาชนให้ไปถามพระอนุรุธเถระพระอนุรุธเถระบอกแก่มหาชนว่าเวลานี้พระพุทธองค์เสด็จไปจําพรรษาณพบดาวดึงเพื่อเทศนาโปรดพระพุทธมารดา พระศาสดาประทับนั่งณนะ์บรรทุกคำพลศิลาบนภพดาวดึงนั้นจงครอบงำเทพยดาทุกหมู่เหล่าด้วยพระสมีแห่งพระองค์พระพุทธมารดาเสด็จจากภพดุสิตประทับนั่งณนะ์พระประัดเบื้องขวาแห่งพระศาสดาอังคุรเทพพบุตรณพระปรัสซ้ายเมื่อเทพพยดาผู้มีศักย์ใหญ่ทยอยกันมาอังคุระเทพบุตรนั้นต้องถอยห่างออกไปเรื่อยๆถึง12โยต ส่วนอินทกเทพพระบุตรคงนั่งอยู่ที่เดิมนั่นเองพระตถาคตเจ้าทรงมองดูเทพพระบุตรทั้งสองแล้วมีพระประสงค์จะทรงประกาศความแตกต่างกันแห่งทานที่บุคคลถวายในทักษินยยบุคคลในาศาสนาของพระองค์และทานที่บุคคลให้แล้วแก่โลกิยะมหาชนจึงตรัสถามอังกุระเทพพระบุตรว่าดูก่ อ, อังกุรท่านให้ทานมาเป็นเวลานา น, านถึงหมื่นปี แถวเตาไฟหงต้มเพื่อบริจาคทานยาวถึง12โยธแต่เมื่อท่านมาสู่สมาคมของเราต้องนั่งไกลออกไปถึง12โยธไกลกว่าเทพบุตรทั้งปวงนั่นเพราะเหตุไรอังกุระเทพรบุตรกาบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าได้บริจาคทานมากจริงในสมัยที่เป็นมนุษย์แต่ได้ให้ทานแกโลกิยะมหาชนให้ทานในเขตอันว่างจากทักขินัยยะบุคคลส่วนยักษ ชื่ออินทะกะได้ถวายทานนิดหน่อยแต่ได้ทำในทักิในยะเขตจึงรุ่งเรืองกว่าข้าพระองค์เหมือนดวงจันทร์ในหมู่ดาวพระศาสดาจึงตรัสถามอินทะกระเทพบุตรผู้นั่งอยู่กับที่มิได้เคลื่อนย้ายเลยแม้เทพประวผู้มีศัก์ใหญ่ท่ายอยกันมาอินทะกะเทพบุะวดทูลว่าข้าพระองค์ได้ทักิในยสมบัตในการให้ทานดุดหวานพืชนิดหน่อยในนาดีดังนี้แล้ว เพื่อจะประกาศทกินายะบุคคลจึงกราบทูลต่อไปว่าพืชแม้มากที่บุคคลหวานลงในนาดอนผลย่อมไม่ไพยบูนชาวนาเองก็ไม่ปลื้มใจชั้นใดทานแม้มากที่บุคคลให้แล้วในหมูผู้ทุศีลผลย่อมไม่ไพ่บูนทายก็ไม่ปลื้มใจชั้นนั้นส่วนพืชแม้น้อยแต่บุคคลหวานลงในนาดีย่อมมีผลไพบู์ชาวนาก็ปราปลื้มชั้นใด ทานเล็กน้อยที่บุคคลทำในเขตบุญหรือทำในท่านผู้มีศีลมีคุณคงที่มั่นคงย่อมอำนวยผลไยบูุ์อย่างผู้ให้ให้ชื่นชมเยนดีฉันนั้นบุพกรรมของอินทกะเทพบุตรนั้นเป็นอย่างนี้เลื่องยาวนิดหน่อยนะยังไม่ถึงสี่ทุงนะอินทกะเทพบุตรนั้นเมื่อ ย, ยังเป็นมนุษย์ได้ถวายภิกษาทัพพีหนึ่งแก่พระอนุรุธทธเตระ สาวกของพระพุทธเจ้าบุญนั้นมีผลมากกว่าทานที่อังกุระเทพบุตรทำแล้วแก่โลกิยะมหาชนถึงหมื่นปีตั้งเตาไฟเป็นแถวยาวถึง12โยธเมื่ออินทกะเทพบุตรทูลดังนี้พระศาสดาจึงตัดกับอังกุระเทพบุตรว่าธรรมดาการให้ทานควรเลือกให้ทานนั้นจึงจะมีผลมากเหมือนการหวานพืชในนาดีแต่เธอหาทำอย่างนั้นไม่ ทานของเธอจึงไม่มีผลมากทานอันบุคคลให้แล้วในเขตใดมีผลมากควรเลือกให้ในเขตนั้นการเลือกให้อันพสุคตสรรเสริญแล้วทานที่ให้ในทักกิไนยบุคคลย่อมมีผลมากเหมือนพืชที่หวานลงในนาดีเพื่อจะทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้ยิ <S <s <S <s ่งขึ้นไปพระศาสดาจึงตรัสต่อไปว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นเครื่องประทุษร้ายหมู่ชนมีราคะโทสะโมหะ และความอยากเป็นเครื่องปะทธุส้ายดังนั้นทานที่บุคคลให้แล้วในท่านผู้ปัสะจากราคาโทสะโมหะและความอยากจะมีผลมากในการจบเทสนาอังกุระเทพบุตรและอินทกะเทพบุตรได้บรรลุโสดาปฏิผลพระศาสดาประทับถ้ำกลางบริษัททรงปรารบถึงพระพุทธมารดาทรงแสดงพระอภิธรรมปิดกเริ่มว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตาธรรมา ธรรมที่เป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอภพยากิตก็มีดังนี้เป็นต้นทรงแสดงพระอภิธรรมปิดกอยู่สเดือนเมื่อพระองค์ต้องการพักผ่อนหรือเสด็จพิกขาจารย์ทรงเนรมิตรพระพุทธนิมิตขึ้นแสดงธรรมแทนอีกเจดวันจะถึงวันมหาโวารณา อ, อกพันษาพระมหามโมคคลานะขึ้นไปเฝ้าพระาศาสดาณะพบดาวดึงทูลถามถึงการเสด็จกลับสู่มนุษย์สีโลก เพราะมหาชนคอยการเสด็จกลับของพระพุทธองค์อยู่เป็นอันมากพระศาสดาตรัสถามว่าเวลานี้พระสารีบุตรอยู่ที่ใดพระมหาโมคลานะถูนว่าพระสารีบุตรจำปัญญาอยู่ในสังกัสานครห่างจากกรุงสาวัตถีประมาณ30โยชนพระศาสดาทึงตัดบอกพระมหาโมคลานะว่าในวันมหาพวารณาพระองค์จะเสด็จลงที่ประตูเมืองสังกสะ ระยะทางจากสาวัตถีไปเมืองสังกัสรเพียง30โยน์เท่านั้นคนที่เมืองสาวัตถีจะไปเมืองสังกัสรไม่ต้องเตรียมเสบียงอาหารอะไรเธอจงบอกแก่คนทั้งหลายว่าพึงไปหาเราเหมือนรักษาอุโบสถไปสู่วิหารแล้วฟังธรรมเท่านั้นถึงวันมหาปรณ า, าพระาศาสดาเสด็จลงจากพบดา ว, วดึงดิพร้อมด้วยเทพบริษัทมากมายส่งเปิดโลกทั้งปวงในวันนั้นคือ ให้เทวดาและมนุษย์และสัตว์นรกทั้งปวงได้เห็นกันโดยทั่วถึงมหาชนได้เห็นพุทธานุภาพแล้วต่างปรารถนาพุทธภูมิอยากเป็นเช่นพระพุทธเจ้าบ้งางภาษาริบุตรเทระได้มาเฝ้าถวายบังคมพระศาสดาณประตูเมืองสังกัตสะได้เห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยพุทธสิริเห็นป่านนั้นอันท่านไม่เคยเห็นมาก่อนจึงกราบทูลด้วยความยินดีว่าพระศาสดาผู้มีถ้อยคําอันไพเราะ ทรงเป็นอาจารย์แห่งคณะเสด็จมาจากเทวโลกอย่างนี้ข้าพระองค์ยังไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยดังนี้แล้วทูลว่าพระเจ้าข้าวันนี้เทวาและมนุษย์ทั้งหมดกระยิมคือปรารถนาเป็นเช่นพระองค์มีความภาคภูมิใจในพระองค์อย่างล้นเหลือพระศาสดาตรัสว่าสารีบุตรธรรมดาพระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยคุณเห็นป่านนี้ ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยแท้ดังนี้แล้วตัดย้ำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดทรงเป็นปราดทรงควนขวายในฌานยินดีในธรรมเครื่องเข้าไปสงบกิเลสคือพระนิพพานเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระยิมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีสติมีดยะดังพรนน า, นามาแล้วแต่ต้นเมื่อระาศาสดาเทศนาเรื่องนี้จบลงมีผู้สาเร็จมรรคผล กันมากสิทธิภะษาลีบุตรได้บรรลุอรรตะผลทุกรูปข้อที่ทรงแสดงยมกปาติหารแล้วทรงจำาภาษาในเทวโลกนั้นแล้วเสด็จลงที่เมืองสังกสะนั้นเป็นประเพณีของพระเจ้า ท, ทุกทุกพระองค์สถานที่ที่พระาศาสดาเหยียบพระยุคลบาทลงนั้นเรียกว่าอจระเจติยะสถานพระาศาสดาประทับยืนที่นั้นตัดถามปัญหาแก่มนุษยนิกรระดับต่างๆคือ ปุทุชนพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์และอัครสาวกทุกทุกประเภทย่อมแก้ปัญหาได้ในวิสัยของตนเท่านั้นไม่สามารถแก้ปัญหาในระดับที่สูงกว่าวิสัยแห่งตนเช่นปุทุชนไม่สามารถแก้ปัญหาที่ตัดฐานพระโสดาบันได้และพระโสดาบันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาในวิสัยของพระสกทาคามีได้เมื่อทรงถามปัญหาในพุทธวิสัยแม้พระสารีบุตรอัครสาวก ผู้เลิศทางปัญญาก็ไม่อาจเฉลยได้ต้องพระศาสดาทรงประธานนัยจึงสามารถแก้ได้พระสารีบุตรเมื่อได้รับนัยจากพระบรมศาสดาแล้วสามารถแก้ปัญหาได้เป็นร้อยในพันในท่านจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่ามีปัญญาดุดห่วงมหาสมุทรมากดุดเม็ดทรายในแม่คงคาพิภกษุทั้งหลายจึงยกย่องพระสารีบุตรกันว่าโอ้อาศา จ, ารจริง ภาษารีบุตรสามารถแก้ปัญหาในพุท ธ, ธวิสัยได้ซึ่งภาษาบวกอื่นไม่สามารถเลยพระศาสด า, าตรัสว่ามิใช่แต่เพียงการนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนส า, า, ารีบุตรก็เคยแก้ได้เหมือนกันดังนี้แล้วตัดเรื่องอดีตโดยหนยะว่าคนที่มาประชุมกันตั้งพันแต่หาปัญญามิได้ค้ำควรอยู่ถึงร้อยปี บุรุษผู้มีปัญญาเพียงคนเดียวเข้าใจความหมายแห่งคำภาษิตประเสริฐกว่าคนตั้งพรรตนั้นอยังธรรมกะถาสาธายสมันเตหิสันละเคตาปาติ เพื่อเพลินในธรรมดีกว่าเพื่อเพลินในโลกถ้าเพื่อเพลินในโลกหลงโลกเพื่อเพลินในธรรมยอมรู้ธรรมเห็นธรรมแตกต่างกันเพื่อเพลินในโลกก็ไม่ไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายเลยสมกับที่พระสิทธันว่าคนเพื่อเพลินจึงมีทุกขคนมีทุกข์จึงเพื่อเพลิน แต่ในโลกิยะก็เป็นลักษณะนั้นแต่คนเพลิดเพลินในธรรมย่อมมีความสุขในธรรมและธรรมย่อมนำให้ถึงสุขความสุขในธรรมย่อมทาให้ก้าวหน้าในธรรมความก้าวหน้าในธรรมย่อมนำไปสู่ความดับทุกข์หรือมรรคผลนิพพาน <c oughs> ความเพลิดเพลินนี่ก็มีแตกต่างกันนะหรือเรียกอย่างว่ายินดีในธรรม ย่อมมีความเจริญถ้าไม่ยินดีในธรรมก็เป็นผู้เสื่อมจากธรรมเป็นนัยยะแม่เป็นปุกะลาทิฏฐานหรือเป็นนิทานแต่ก็มีใจความสามารถที่นำเอาไปคบคิดพิจารณานำมาปฏิบัติได้จริงไม่ใช่เพลินไปกับเรื่องราว แต่ธรรมะที่พระองค์ทรงสแสดงเนี่ยสามารถนามาปฏิบัติได้ในปัจจุบันเนี่ยทุกยุคทุกสมัยเนี่ยดงนั้จึงเป็นพุทธภาสิต ท, ที่พร้อมที่จะนำไปปฏิบัติได้เนี่ยอย่างเรื่องการให้ทานเรื่องคนตันนี่ก็เปรียบเทียบให้เห็นชัดแต่ก็จุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะให้รักกิเลสภายในคือทางด้านจิตใจเนี่ย ถ้ามองเข้าภายในจิตใจเนี่ยก็จะรู้ว่าพระองค์ทรงตัดเทศนาเพื่อประสงค์อะไรเนี่ยเพื่อให้ละกิเลสภายในเนี่ยการกระทำแม้แต่เรื่องการให้ทานก็ดีนี่ดังที่พระองค์ตัดไปว่าการให้ทานนี่ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเนี่ย แต่จะเหมือนเทพบุตรสองตนนั้นไกลกันคนละฟ้ากับดินนี่นี่สันพาศิทีิว่าการเลือกให้หรือให้ด้วยปัญญาภาษาสดาทรงสรรเสริญ น, นี่นี่ก็คือลักษณะนี่แหละนี่ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นชัดในปัจจุบันก็เห็นได้นี่ถ้าเราให้ให้แบบไม่ได้คิดอะไรนี่ให้แบบไม่ใช้ปัญญาพิจารณาก่อนให้นี่มันก็ไม่เกิดผลจริง บางทีรังจะให้โทษอีกหรือบางครั้งเดือดร้อนมาถึงผู้ให้อีกก็ได้เนี่ยถ้าไมได้พิจารณาเนะ่วนครั้งหนึ่งนะี่พูดให้เห็นง่ายๆในใกล้ๆปัจจุบันนะี่เนาะอย่างอยู่วัดเราเนะี่ยมีเด็กมันมาเล่นกันนะคนมาวัดก็ใจดีสงสาราเห็นเด็กแล้วสงสารอยากจะให้มันก็เลยให้สตังค์มันไป คนนั้นก็ให้คนนี้ก็ให้นปรากฏว่ามันไปซื้อพูมาหญิงรบกวนอยู่ฝั่งโน้นโตมตามโตมตามโตโน้ยเด็กพวกนี้พอเห็นโอ้เด็กพวกนี้นเนี่ยพ อ, ด, พอดีคนก็ให้เขาเขารู้ว่าเขาให้ตังมันไปซื้อเก็ต้องเดือดร้อนถึงผู้ให้ต้องตามไปหามันไปเตะบอกมันบอกว่าให้ตังไปนึกว่าจะให้ไปซื้ออาหารซื้อกับข้าวมากินเนี่ย วันกรปซืุอนี่ไม่ใช่ถูกๆด้วยนะ อ, ยอันเล็กๆอันหนึ่งตั้งห้าบาทให้10บาทก็ได้สองอันยยิงสองนัดทอนนั้นหมดแล้ว เ, เห็นไหมนี่การให้ถ้าใ ห, ให้ง่ายเกินไปนี่ไม่พิจารณาซะก่อนเนี่ ย, ยการจะให้นต้องว่าต้องต้องแนะนำด้ว ย, ยถ้าสมเคอจริงๆแนะนำ เ, เหมือนอาจารย์สมภพท่านเราเลย เด็กมันร้องให้ไม่มีข้าวกินจริงๆเนะี่ยก็ให้มันเนะี่ยให้มันเออลูกไปซื้อกับข้าวมาให้น้องกินนะออแล้วที่เหลือเนะี่ยอย่าลืมซื้อไว้ให้พ่อด้วยให้แม่ด้วยนะเนี่ยเผื่อพ่อแม่มากับข้าวกับปลามันไม่เพียงพอเนะี่ยก็จะได้พ่อแม่ก็จะได้ทานด้วยอะไรด้วยเนะี่ยก็ต้องบอกก็ต้องแนะนำเลยเนะี่ยถ้าไม่ใช่แล้มันกินอิ่มแล้วมันซื้อของเล่นมาเล่นพ่อแม่กออ็ไม่ได้กินอีก ในนั้นเลยให้ด้วยความฉลาดให้ด้วยปัญญานมันมีมันปัจจุบันมันก็ยังมีนี่วันนั้นดูสาระกะดีเรื่องหนึ่งที่ว่าลูกตั้งหลายคนนะพ่อไปรับจ้างเขา้างถ้วยรางส า, ามต้องเก็บขยะมาเลี้ยงครอบครัวอาหารนอาหารขยะอาหารที่มันเหลือจากจานก็ลยเมีเนื้อเหลือบ้างมี ไก่เหลือบ้างมันก็ดูอันไหนมันเหลือน้อยก็ทิ้งอันไหนพอมีเนื้ออยู่เขาก็เอาใส่ถุงใส่ถุงไว้ปลาก็เหมือนกันเนี่ยมีเนื้อติดอยู่บ้างมีหัวบ้างพอกินได้ก็หักก้างมันออกก็ใส่ถุงเก็บไว้เนี่ยกลับบ้านก็ไปแจกแบ่งทั้งภรรยาทั้งลูกเต้ากินหน่อยเห็นแล้วโอ้โหมันโลกปัจจุบันมันก็ยังถึงขนาดนี้นะ สหรัฐอเมริกาก็ว่าเจริญเจริญเนคนจนมีตั้งหลายเปอร์เซ็นต์หลายสิบเปอร์เซ็นต์นี่คนที่ไม่มีจะกินนี่แหละนี่มันมันก็ยังมีอยู่เนี่ยนี่ีถึงว่าพวกเหล่านี้แหละน่นาสงสารก็จริงไงแต่การให้ต้องให้มีการพัฒนาด้วยนี่ให้กำลังภายนอกแล้วให้ฉลาดในภายในที่จะช่วยตัวเองได้ด้วยนี่ จึงเรียกว่าให้ด้วยปัญญาเนี่ยถ้าให้แบบขอทานที่มันร่างกายมันสมบูรณ์อยู่นี่พอมันเคยได้มันจะขออย่างเดียวลวมันไม่ทำอะไรหรอกนี่ถ้าจะให้มันต้องบอกว่าเออให้แล้วต้องไปทำโน่นทำนี่นะเอาไปปลูกผักปลูกหญ้านี่พอมันขึ้นมาก็เก็บเม็ดไว้ปลูกอีกต่อไปนี่มันจะได้ขยายออกขยายมากขึ้นก็ ปลูกให้มันมากขึ้นแล้วไปขายมันก็ได้ตังค์มากขึ้นต้องแนะนำอย่างนั้นนะไม่สักแต่ว่าให้ไปซื้อกินทีเดียวก็หมดแล้ววันหลังมาเดือดร้อนเนี่มาขออีกเคยขอได้ก็จะมาขออยู่นั่นแหละทีนี้นี่นี่แหละมันถึงผิดหลักการของพุทธศาสนาเนะี่ยที่ว่าให้ด้วยปัญญานะผลที่ได้รับมันก็ต่างกันจริงๆแหลนะนหรือได้อย่างเดียวกันแต่ไม่พิจารณาปัญญาไม่มี ผลที่ได้รับมามันก็ไม่เหมือนกันไงเอาเม็ดเมล็ดพืชผักให้คนคนหนึ่งมันโง่คนหนึ่งฉลาดมันกต่างกันได้ให้เท่ากันได้ต่างกันไงบอกเขาไปปลูกเหมือนกันแต่มันต่างกันคนหนึ่งไปหวานใส่ดินมันก็แล้วเลยมันก็เฉยมันไปดูอยู่ก็เหมือนกันเลยทำไมไม่ขึ้นขึ้นแล้วทําไมไม่งามมันก็ดูแค่นี้แต่คนหนึ่งแล้วโอ้ขึ้นมาแล้วต้องดูแลรักษานะเดี๋ยวมาแรงมากิน ใบมันเหลืองไหมเหลืองก็ต้องหาปุ๋ยหาใบไม้มาใส่ให้มันงามต้องลดน้ำต้องให้ปุ๋ยอนะไรมันต่างกันเนะี่ยคนลักษณะนี้ก็เจริญเนะี่ยเปิดผักก็เจริญงอกงามได้บริโภคอย่างมีความสุขเนะี่ยคนหนึ่งนะขาดทุนศูนย์กาไรทุนก็ขาดกำไรไม่ต้องไปพูดถึงเนะี่ยมันก็เลยแตกต่างกับลักษณะนี้ กต่คำสอนในทางพุทธศาสนานี่จะเป็นหลักของปัญญาจริงๆเนี่ยสอนให้มีปัญญาให้รู้จักคิดให้รู้จักช่วยตนเองไม่ใช่อาศัยคนอื่นอย่างเดียวเนี่ยแม้การปฏิบัติเนี่ยก็อาศัยคนอื่นบางส่วนเท่านั้นเนี่ยแต่ที่จะได้จริงๆก็ทำเอาเองเนี่ยทำเอาเองเนี่ยต้องถือภาษิตที่พระองค์ตรัสว่าเราเป็นเพียงผู้บอก เ, เท่านั้นเนี่ย ส่วนหน้าที่จะทำให้เกิดขึ้นคือพวกท่านทั้งหลา ย, ยคือทำเองทำเองเห็นเองรู้เองเห็นเองนั่นแหละเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เป็นข้อเตือนใจให้สำหรับพวกเราทั้งหลายเนี่ยวันนี้ก็ดึกนิดหน่อยแต่ไม่ดึกมากหรอกสี่ทุ่มแค่นี้น